เ, เมื่อวันที่ส1อพฤศภาคมพศสอ 2, 5 1 1นณวัดป่าบัานตาดโดยพระอาจารย์มหาบัวยาเนะสัมปันโนการฟังเทศคือการทำนองอั น, น คจิตคือทำางานฟังเราไม่ต้องไปปรุงท่านูแสดงปรุงให้อย่างเรียบร้อยเป็นแต่เพียงคอยติดจอดจิตฟังเท่านั้น ใจที่ขณะฟังเทศถ้ายังสงบตัวขึ้นไม่ได้รู้ถึงจะลำบากดีหน่าเพราะการทำภาวนาโดยลำพังตัวเองกับการฟังเทศซึ่งเป็นการฟังเพื่อความสงบเช่นเดียวกันกับการภาวนานี้ การทำพวนั่งภาวนาตามปกติรู้สึกจะยากกว่าที่จะทำให้จิตใจสงบลงได้แต่การฟังเทศมีทางที่จะให้ได้รับความสมงบลงสะดวกกว่ากันอยู่บ้าง นั่นทางรับปฏิบัติทั้งหลายติมิยุกการฟังเทศจากภูม า, าจารย์ทันที่แจ้งในทางภาคปฏิบัตินอกจากได้รับความเข้าใจในธรรมะที่ฐานแสดงไปแล้วยังได้รับความเย็นใจในขณะที่ฟังเทศดนั่นการฟังเทศจึงไม่ จัดว่าเป็นการด้อยกว่าภาคปฏิบัติทั่วๆไปซึ่งเกี่ยวกับด้านจิตใจในครั้งพุทธการก็ปรากฏว่าผู้ด้สำเร็จมากผลลูกพันเพราะการฟังเทศมีจำนวนไม่ น, อน้อยเพราะการฟังเทศ ก็คือการชี้แจงเรื่องราวของจิตแต่ละท่านละท่านที่นั่งนั่งฟังอยู่นั้นให้ทราบตามหลักความจริงเช่นเดียวกันกับการพิจารณาทางด้านภาวนาถ้าจิตยอยู่ในวงสมาธิพอท่านเรื่นแสดงไปจิตก็เรื่มนจ่อจดจ่อฟัอง เป็นระยะระยะใจที่มีหน้าที่อันเดียวซึ่งคอยจะรับท ร, บทรบาบธรรมะจากท่านอยู่ก็มีทางจะสงบลงได้ใจที่ยังไม่เคยสงบเลยก็ยังรู้สึกว่าได้รับความเบาใจในขณะที่ฝั่าที่ใจมีสมาธิด้วยแล้วก็ยิ่งรวมสงบลงได้เร็ ทางภาคปัญญาผู้ที่อยู่ในขั้นปัญญาซึ่งกําลังพิจารณาอยู่แล้วเพราะมีสมาธิเป็นบาตรฐานคําว่าสมาธิหมายถึงความสงบใจนั่นแหลเป็นส่วนใหญ่พอท่านเริ่มอธิบายแยกแยกส่วนต่างๆจะเป็นขันใดก็ตามในขันห้านี้จะเป็นข้างนอกก็ตามข้างในก็ตาม ซึ่งเป็นเรื่องสัจธรทมหรือสติปัฏฐานด้วยสี่ด้วยกันแล้วยอมจะถูกกับจดิตของผู้กำลังที่แยนายค่ากับว่าท่านเบิกทางใหง้เราเดินตามหลังท่านท่านชี้แจงไปอย่างไรใจก็คอยที่จะขยับตามท่าน ยิ่งไปถึงจุดที่เรากำลังพิจารณาอยู่และกำลังติดอยู่ด้วยแล้วนั่นยิ่งเป็นจุดที่เจดบเจามากสำหรับเราคอยจะฟังท่านจะชี้แจงไปว่าอย่างไรในจุดนั้นพอท่านอธิบายไปถึงจุดนั้นเพราะความรู้ของท่านได้ผ่านไปแล้วเมื่อท่านอธิบายย่อมถูกต้องผู้ฟังก็ย่อมได้รับความเข้าใจ ปกเครื่องความโรงใสของฝนออกได้ในทันทีขณะที่ฟังท่านในจุดนั้นเพราะฉะนั้นการฟังเทศจึงมีทางที่จะสำเร็จได้เป็นชั้นชั้นตามที่มีมาในข้างบู้โดยการก็เพราะนักปฏิบัติมีท่านภูมิทางด้านจิตใจต่างกันหากภูมิภูมีสายสามารถแก่กล้า ยกว่าพร้อมมูอยู่แล้วเรื่องสมาธิกับเรื่องปัญญาก็เป็นไปพร้อมๆกันมีปัญญาพิจนารณาตามความจริงที่ท่านแสดงไปความสงบคือไม่พุ่งซ่างวุ่นวายไปกับอารมณ์ใดๆในขณะนั้นก็อปรากฏขึ้นกับใจมีแต่คอยตรองตามความจริงที่ท่านแสดงไปเท่านั้น ต้อทราบเหตุทราบผลในชัดเจนถ้าหายสงสัยเป็นระยะระยะไป น, นั้นการตังเทศจิงเป็นปจิตจาเป็นของท่านผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นภาคตัวๆวไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะและไม่ว่าจะเป็นจิตขั้นใดภูมิใดของผู้ปฏิบัติ ยอมจะเป็นการเสริมความรู้ความฉลาดของตนให้ขยืดขึ้นไปได้เป็นนั้นการฟังเทศมีความจำเป็นอย่างนี้การฟังเทศท่านจัดเทศไปเรื่องของไขรกอตาเรื่องนอกเรื่องในเรื่องต้นไม้ภูเขา เรื่องสัตเรื่องบุคคลก็ตา่างคือเมื่อพิจารณาแล้วก็คือเรื่องสัจจธรรมอันเดียวกันหรือไตรลักษณ์อันเดียวกันสติปัฏฐานสี่อันเดียวกันเราสามารถจะน้อมเข้ามาพิจารณาเทียบเคียงกับสิ่งที่มีหรือส่วนที่มีอยู่ของเราได้และได้รับความเข้าใจจากธรรมะทั้งที่เป็นภายนอกและเป็นภายใน ทั้งคืเป็นเรื่องของสัตว์และบุคคลต้นไม้ภูเขาเพราะเป็นสิ่งที่เหมือนเหมือน ก, นกันกับส่วนที่นี้อยู่ในตัวของเราเวลาท่านนั่งภาวนาหรือท่านทําความเพียรอยู่ตามป่าตามรกท่านเห็นใบไม้มร่วงลงมาท่านก็พิจารณาเป็นธรรมา การร่วมโดยของใบไม้ก็คือความหมดกําลังของมันในร่วมโดยลงมาเรื่งความหมดกําลังของธาตุขันธชีวิตจิตใจก็ย่อมเป็นในลักษณะเดียวกันนั้นท่านเทียบเข้ามาถึงตัวของท่านทัน ท, นทีไม่ประมาทการฟังเทศไม่ว่าจะฟังเทศจากครูจากอาจารย์ไม่ว่าจะฟังเทศจากแบบธรรมชาติโดยการพิจารณา ลำพังตัวเองยอมเป็นสิ่งที่จะให้สาเร็จประโยชน์แก่ิติใจได้แต่ถ้าเราเรายังไม่สามารถก็ต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้ขี่แนวทางให้เป็นทอดทอดไปเมื่อเรามีกำลังพอที่จะพิจนารณานได้โดยลำพังเราแล้วอยู่ที่ไหนก็มีทางจะพิจนารณาได้ เพราะสิ่งที่มีอยู่ในโลกและมาเกี่ยวข้องสัมผัสกับตัวของเรานี้ประสานกันอยู่ตลอดเวลานอกจากเราจะไม่ทำความสนใจพิจารณาตามหลักธรรมชาติซึ่งเป็นหลักธรรมะเท่านั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนที่ถูกต้องหาที่ตำหนิไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นขั้นต่ำขั้นกลางหรือขั้นคุ้นเป็นธรรมะที่รับรองมาจากความบริสุดเพราะความบริสุดนั้นย่อมเป็นผลมาจากการปฏิบัติถูกผู้ปฏิบัติตามหลักองค์ประกอาแธรรมจึงมีทางที่จะได้รับผลเป็นชั้นๆเป็นไปแต่อย่าลืมว่าศาสนาธรรมนั้นไม่ใช่ธรรมขี้เกียจ ไม่ใช่ทําอ่อนเอไม่ใช่ทําใหเ้เอาเป็นเอาตามใจของตนอืเป็นส่วนสําคัญท่านเราหนักแน่นในสิ่งที่ธรรมะตาหนิเช่นนี้ผลก็คือเราจะได้ตําหนิตัวของเราเองหากว่าเราหนักแน่นตามหลักธรรมะแล้ว เราจะได้มีความภาคภูมิใจในตัวของเราทั้งปัจจุบันและอนาคตเพราะธรรมะทุกบททุกบาทไม่ใช่ธรรมะที่จะควรถูกตำห น, นิเพราะเป็นธรรมะที่ชอบทำอยู่แล้วโดยมโดยสมบูรณ์ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมะที่สมบูรณ์แล้วด้วยความชอบธรรมผลที่จะพึงได้รับยิงเป็นความชอบธรรมและชอบใจสำหรับตน แนวระวังสิ่งที่ปลอมแปลงจะเข้ามาแฝงและเป็นเจ้าอํานาจครองใจของเรานี่เป็นสิ่งสําคัญเดินจงกรมอยู่เข้าใจว่าตนเดินจงกรมขานั่นก้าวไปจริงกลับไปกลับมาแต่จิตไม่ทราบว่าสัมปยุทธ์กับธรรมะหรือสัมปยุทธ์อยู่กับเครื่องหรอือเพืงที่เคยพาจุดนากมาเป็นเวลานาน ผลที่ปรากฏตามความมุ่งหวังจริงไม่ค่อยมีเพราะเหตุอันแท้จริงนั้นเราไม่ทำให้ถูกต้องเป็นศัก์แต่ว่ากิริยาการเดินใครเดินก็ได้ไม่ว่าแต่มนุษย์เรายุนักบวชเราแม้แต่สัตว์ดิฉันเขายังเดินได้วิ่งได้เด็กที่ไหนรู้ภาษีภาษาก็ายังเดินได้ถ้ามันี ธรรมะเป็นเครื่องสัมพยุก์ประกอบกับประโยชน์พยายามของตนที่ตั้งไว้แล้วก็ไม่สําเร็จประโยชน์การนั่งภาวนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจะอยู่ในอียาบทใดก็ตามถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจอยู่ชื่อว่าเป็นความเพียรตลอดสายหากว่าธรรมะได้พลาดไปจากใจเสียการใดอียาบทใดียาบทนั่นก็เป็นโมคะ ไม่สืบต่อทางเหตุของความดีผลจึงต้องหยุดชนะมีหลักการดำเนินตนที่เป็นไปด้วยความล่าช้าหรือเป็นไปไม่ได้ในทางจิตใจให้สมหวังเราตามต้องการ น, ะนั้นมีสิ่งที่ควรพิจารณาอยู่ในจุดนี้เราจะมองดูผลมากกว่าเหตุในขณะเดียวกันที่เรามองเห็น มองดูผลโปรดได้มองดูต้นเหตุด้วยเหมือนอย่างผลไม้เราต้องมองถึงต้นเหตุของมันว่าต้นไม้นี้ตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารประเภทใดและอาหารประเภทใดเป็นที่ถูกกับต้นไม้ประเภทนี้ผูกต้องการผลัั้นสมบูรณ์ควรจะเกาะแสดงหาวอาหารประเภทนั่ น, น, น ให้ถูกกับต้นไม้ผลจะปรากฏขึ้นใหม่หลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามีเท่านั้นเหตุนาสำคัญไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดไม่ว่าจะเป็นลาบบวชฆราวาหญิงชายไม่ว่าใครจะํำหนิตใครจะชมไม่ว่าใครจะทำผิดหรือทาถูกธรรมะไม่มีทางได้ทางเสียด้วยแต่หากเป็นตัวเอง ผู้ทำนั่นแหละเป็นผู้ที่จะมีทางได้เสียจากความประพฤติของตนโดยอาศัยการทำถูกตามหลักธรรมบ้างทำผิดจากหลักธรรมบ้างซึ่งเป็นผลให้เกิดทุกบ้างทุกบ้างดังเดียวรู้อยู่ภในตัวของเราสหับการวาดญาติโยมก็เห็นใจเพราะหน้าที่การงานมีมาก มุขสาวิสาสล ะ, ะเวล่มเวลาทรัสมบัติตลอดชีวิตจิตใจที่มีคุณค่ายิ่งนะอะไรเปรียบมาได้แล้วในโลกนะความเป็นธรรมะโดยไม่คำหนึ่งถึงชีวิตจิตใจเป็นซึ่งเป็นการเสี่ยงในเวลังไปและมาทรับสมบัติที่มีค่าก็ต้องยอมเสียสละ ผูไม่จริงจังจริงๆก็ทำไม่ได้จึงขอขอบคุณในอนุโมทนากับท่านทั้งหลายจึงเป็นผู้มีภาระมากอยู่แล้วตามปกติของขาวว่าแต่ส่วนพระเราเฉพาะอย่างดีคือนักปฏิบัติไม่ค่อยเกี่ยวกับหน้าที่การงานการปกครองให้ความเืนเย็นแก่ผู้อื่นมากนะัก มีทางเดียวที่จะทำพ ย, ยพยายามทำให้เป็นความร่วมเย็นแก่ตนโดยเฉพาะนควรจะต้หนักใจให้มากในหน้าที่การ ง, งานของตนโดยเฉพาะวันหนึ่งคืนหนึ่งการรักษาตนจะให้ด้อยไปด้วยหลักข้อปฏิบัติความเป็นภยัยแต่จิตใจ เพราะความเผลอสติควรจะเห็นโทษลิกควรจะเห็นว่าเป็นโทษยังไว้ด้วยนั่นแหละเป็นการดีสำหรับผู้ปฏิบัติสตินี้ได้ทั้งภายนอกภายในยเราจะประกอบหน้าที่การงานใดๆก็าตาม สติควรให้มีอยู่กับหน้าที่การงานคือความรู้สึกตัวอยู่ว่าได้สติได้สัมประยุกต์อยู่กับการงานนั้นๆในขณะที่ทําเมื่อย้อนเข้ามาสู่ภายในสติที่เคยสุผล อ, อบรมอยู่เสมอนั้นก็เป็นเครื่องสนับสนุนให้รับความสะดวกในการบำเพ็ญอาจเป็นฝ่ายสมาธิในวันสมาธิประเภทใดสงบตรงได้เร็วหาปล่อยไปเกียร ในคำหนึง่งถึงการระมัดระวังรักษาตนโดยทางสติเมื่อถึงคราวจะเอาจริงเราตังคว่าหาก็ไม่ควรเจอผลจะให้เกิดความสงบสุขนั้นโปรดทราบว่าเกิดขึ้นจากการรักษาไม่ได้เกิดขึ้นจากการปล่อยตามอำเภอใจ ไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดเมื่อก้าวเข้ามาในวงศาสนาหรือเป็นนักบวช ด, ด้วยแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ความเสมอภาคเหมือนกันผู้ใดมีความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็งมากผู้นั้นย่อมจะได้รับผลเป็นสุดิ การพิจารณาทางด้านปัญญาคำว่าปัญญ า, าคือความฉลาดเราควรจะนำไปใช้ให้ถูกกับจุดที่พอเหมาะกับคำว่าปัญญาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ทั้งหลัก ส, สมาธิทั้งสมาธิทั้งปัญญาคุณเราถ้ามีแต่ การทำงานตลอดเวลาไม่มีการพักผ่อนร่างกายบ้างเลยย่อม้นไม่ไหวร่างกายยมหมดกำลังจิตใจถ้าเราจะพิจารณาตั้งแต่ทางด้านปัญญาทาั้งทั้งที่เราไม่เคยเจอสมาธิคือความสงบใจเป็นอย่างไรเลยนั้นอาจจะเป็นปัญญาในทางขิดก็ได้เหมือนอย่างเครื่องมือ เครื่องมือมีหลายประเภทที่จะทํางานเช่นเราจะปลูกบ้านเครื่องมือที่จะปลูกบ้านไม่ใช่มีประเภทเดียวมีหลายประเภทควรจะนำไปใช้ให้ถูกต้องกับการงานนั้นๆผลจะเป็นที่ถูกใจไม่ผิดพลาดทำว่าปัญญาก็เหมือนกัน อะไรเป็นเครื่องปกปิดกำบังธรรมชาติธรรมชาติคือคำว่าเราอันแท้จริงอยู่เวลานี้มีอะไรบ้างผู้ปฏิบัติเพื่อปัญญาควรจะลือฟื้นเข้าไปตั้งแต่สิ่งที่ปกปิดกำบังภายนอกๆผิวเผินนี้เข้าไปโดยตรงขันแต่ละขันเป็นสิ่งที่ปกปิดกำบัง ตัวเราอันแท้จริงได้บนพิจารณากายคตาสติไม่ใช่ของเล็กน้อยทั้งการพิจารณาเพื่อถอดถอนทั้งความนอนใจคือไม่สนใจชัดพิจารณาเลยถ้าไม่สนใจพิจารณาเลยก็เป็นเครื่องปกปิดกำลังได้อย่างมิชิดจนมองหา เราอันแท้จริงไม่เจอถ้าเราพิจารณาก็มีทางที่จะค้นพบของจะอยู่ลึกขนาดไหนถ้าฝังไว้ใต้ดินกนดถ้าขุดค้นให้ถึงก็ต้องเจอแล้วการขุดเราจะต้องขุดตั้งแต่ พื้นผิวเผินของดินนี้เข้าไปจนกระทั่งถึงส่วนลึกของดินตลอดถึงสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เราจะไปขุดอเอาจพาะสิ่งที่ฝังอยู่โดยไม่คำนึงถึงว่าอยู่ลึกหรือตื้นต้องขุดลงไปจนถึง คำว่าเราอันแท้จริงนั้นอยู่ลึก ข, ขนาดไหนตื้นขนาดไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ปกคลุมหุ้มหอ่อเวลานี้มีอะไรบ้างที่ปกคลุมหุ่มหอ่อตัวเราอันแท้จริงพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรบ้างเวลาเราบวชที่แรกอุปัชยะท่านกอา่อให้มูลกรรมาฐาน พะจะปัญจกะกรรมฐานให้ขุดลงที่นี่เริ่มขุดเข้าไปพิจารณาหนังก็ดูให้ชัดผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูให้ชัดสิ่งเหล่านี้มีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนคือไม่ปิดบังโดยหลักธรรมชาติทังตน จึงต้องอาศัยปัญญาพิจารณาลงไปนี่แหละชื่อว่าการขุดคน้นด้วยเครื่องมือคือปัญญาเช่นเดียวกับจอบเสียมขุดค้นดินขุดดินฉนันเราอยากนำความร้อนใจอยากให้ได้อย่างใจเข้าไปทำงานแต่ให้เอาเหตุผลคือหลักธรรมะเข้าไปทำงานความร้อนใจ ความอยากเฉยๆนั้นโลกนี้มีด้วยกันทุกคนจะร้อนหรือเย็นก็ให้มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องพิสูจน์กันตามความร้อนที่ปรากฏขึ้นมาเย็นก็ให้ทราบเรื่องความเย็นว่ามีสาเหตุเป็นมาอย่างไรใจจึงต้องเย็นเวลานี้ใจไม่สบายเพราะอะไรเป็นสาเหตุของใจจึงไม่สบาย อ ย, อยู่โดยไม่มีสาเหตุแต่จะปรากฏตัวขึ้นมาเฉยๆนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องมีสาเหตุนอกจากตัวเองไม่พิจารณาเท่านั้นผู้ต้องการจะกำหนดให้ใจสงบจะกำหนดกำหนดอนาปานสติหรือบททำบทใดก็ตามให้มีสติกำกับอยู่กับ ทำบทนั่นจริงๆเรื่องสมาธิที่เราได้ยินแต่ชื่อก็จะปรากฏขึ้นติใจของเราเพราะเหตุที่จะให้เป็นสมาธิก็คือการกำหนดมีกำหนดลมหายใจเป็นต้นโดยความสืบต่อด้วยสติลมจะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไป แต่จะไปปรุงแต่งลมมาอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีหน้าที่ที่จะกำหนดให้รู้อยู่กับลมเท่านั้นลม้งหมดไปจริงๆตามความรู้สึกก็ให้รู้และไม่นิตกิจาร์รกลัวว่าจะตายไปจะบังอะไรบ้างไม่ต้องนิตกบางทีลม มันเหมือนก็หมดจริงๆนะเวลาเราพิจารณาเขาถึงลมละเอียดเลยเลยจากละเอียดก็หายไปเลยหายทั้งๆรู้ๆอยู่นั่นแหละเหมือนไม่มีลมหายใจเลยเนี่ยโดยมากผู้ปฏิบัติพอไปถึงระยะนี้เข้าใจว่าตนไม่มีลมหายใจเลยคิดวิตกวิจารเลยเลยก่อลมขึ้นมาอีกทีการไม่ตกวิจารณ์คือความกลัวตายนั่นแหะเป็นเหตุสําคัญ เลยเป็นการฟื้นลมกลับมาอีกการฟื้นลมกลับขึ้นมากับการร บ, บวกวนจิตไม่ให้สงบก็เป็นขึ้นในขณะเดียวกันลมก็เลยปรากฏตัวขึ้นมาใจที่คอยจะละเอียดตามลมก็เลยกลายเป็นใจที่อยากเป็นมาเลยหาความสงบในทางที่ถูก ลมกับ้งหมดไปในความรู้สึกนั้นก็ให้หมดไปและเหลือธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้อยู่ในเวลานั้นให้อยู่กับความรู้ไม่ต้องถือสิ่งใดเป็นสําคัญยิ่งกว่าความรู้เมื่อลมหมดไปแล้วสิ่งที่รู้ยังไม่หมดหมดก็หมดแต่ลมไปทั้งหมดความรู้ที่ว่าลมหมดไปนั้นคือใจไม่ได้สิ้นไปด้วยลม ให้อยู่กับความรู้อันนั้หนึ่งวิธีพิจารณาลมหายใจพิจารณาจะอยู่นานไม่นานนั้นแล้วแต่ความเหมาะสมของใจที่จะเพื่อนทีหรือเพื่อนไหวตัวออกมาแต่ไม่ให้วิตกวิจารณ์เรื่องความเป็นความตายในขณะที่ลมหมดไปผู้รู้ยังมีอยู่ไม่ตายคนตายผู้รู้ต้องออกจากร่าง ขณะที่ลมหมดไปนั้นผู้รู้ยังอยู่ในร่างกายเราไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นจะตายอะไรต่อไปก่อการพิจารณาภาวนาก็เพื่อจะรู้จักความเป็นความตายของตนทำไมจึงต้องกลัวในเวลาลมหมดไปขณะที่ภาวนานั้นนี่ก็แสดงว่าเป็นความเห็นผิดของผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นผลที่จะคุบหน้าจึงไม่ค่อยปรากฏสาหรับผู้บำเพ็ญอนาปานสติทางที่ถูกไม่ต้องกลัวอะไรหมดไปให้รู้ ในขณะที่หมดไปสิ่งที่ยังอยู่ก็คือผู้รู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้หมดไปนั่นแหละผู้นี้ไม่หมดพอสมควรแต่การล้วขอถอนขึ้นมาแล้วจำต้นเหตุที่ตนที่จะเคยที่จะนาเอาไว้แต่จะไปคาดผลในวาระต่อไปที่เราจะต้องทาอยู่เหมอลมจะมีความละเอียดไปอย่างนั้น ละเอียดไปจริงๆก็จนไม่มีอะกายของเรานี้ไม่มีเลยไม่ว่าแต่ลมไม่มีแม้แต่กายก็ไม่มีจิตที่เป็นไปขนาดนั่นต้องเป็นจิตที่ละเอียดนี่นเรียกสมารถอันหนึ่งเหมือนกันผู้ปฏิบัติไม่ควรจะมองข้ามไปเรื่องของสมาธิในเวลาที่ควรจะชาติปัญญาก็ใช้ใช้เลยสองการ คือการหนึ่งปิดใจของเรามันขาดผลรอดเต็นไม่พอยอยู่ในบงังคับบัญชาไม่พอยอยู่ในความบริในการบริกรรมที่จะกากับใจิตใจให้สงบพุ่งเฮ่อเห้อเอเหิมเกินขอบเขตตอนนั้นเราจะนำปัญญามา ข, ขั้นกลางหวงห้ามหรือฟาดฟันจิตประเภทนั้นลงก็ได้ไม่ขัดข้อหาอุบายต่างๆ มาพร่ำสอนจิตใจซึ่งกําลังคันองนั้นให้ยอมจํานวนต่อเหตุผลจิตจะเข้าสู่ความสงบได้เช่นเดียวกับอุบายของการบําเพ็ญเพื่อสมาธิและจิตที่รวมสงบลงได้ด้วยอุบายปัญญานี้เป็นจิตที่กล้าหาญมากผิดปกติกับจิตที่อบรมให้เป็นสมาธิโดยทางบริกรรมมี่ผิดกัน แต่เราจะถือว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมโดยไม่โดยมองข้ามการบริกรรมหรือการกรรําหนดอนาปานักศิษย์เป็นต้นเสียนั้นไม่ได้เราจะนาํามาใช้ในช่วงการที่เห็นว่าสมควรเท่านั้นนั่นการหนึ่งการที่สองก็คือจิตถอนออกมาจากความสงบควรจะการพิจารณาแล้วพิจารณาทางด้านตัญญานี่มีสอง สองการด้วยกันท่านที่เห็นภัยในตัวเองควรจะรีบเร่งความเพียรภัยนั้นมีอยู่ตลอดเวลาอยากเข้าใจว่าตัวไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรแล้วไม่มีภัยภัยทางด้านจิตใจนี้ยิ่งเป็นภัยสำคัญที่จะให้โรยจะเจ็บตาย ือไม่ขาดมักขาดตอนนั่นก็เนื่องจากเชื่อโรคอันสาคัญที่ฝังอยู่ภายในใจซึ่งไม่สามารถจะถอดถอนออกได้นั่นแหละเป็นโรคติดต่อพบติดต่อชาติไปตลอดสายต่างกับต่างกันก็ไม่มีใครสามารถจะนับได้ จิตมีทางจะสงบมีทางจะฉลาดได้ด้วยอุบายวิธีของผู้บําเพ็ญจากหลักธรรมะถึงจะคึกขนองเท่าไหร่ก็ไปไม่ให้พ้นหลักธรรมะหากเป็นผู้สนใจจะนํามาฝึกปรมานจริงๆแล้วบางครั้งก็เห็นประจักษ์ทั้งๆ ท, ที่กําลังคึกขนองอย่างเต็มที่หมอบลาบลงไปเลยด้วยอํานาจของปัญญา รุบายวิธีของตนที่มีกำลังมากกว่าเห็นได้อย่างชัดๆนอกจากนั้นแล้วไม่มีอุบายใดรือนอกจากหลักธรรมะแล้วจะนำมาฝึกทรมานจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดและหายประย์ไปได้จิตทําไม่มีสมาธิเลยผู้ปฏิบัติ รู้สึกจะหาที่โปรงวางจิตใจไม่ได้เพราะกล้าเข้ามาสู่วงแห่งความสงบเย็นใจแล้วสถานที่ความเหมาะสมเพศเพราะอำนวจหน้าที่ก็ว่าเป็นนักปฏิบัติควรคือพร้อมอยู่แล้วที่จะตั้งหน้าต่อความเพีย เทียนไ้เห็นเรื่องของตัวนี่แหละเป็นความเพียงที่เลิ่อเห็นเรื่องรู้เรื่องของตัวก็เป็นเหตุจะให้รู้เรื่องสิ่งทั้งหลายทั่ ว, วไปได้รู้อะไรไม่ประเสริฐเท่ารู้เรื่องของตัวแต่ทุกข์ยากลำบากก็ถือว่าเป็นงานเพื่อตัวเองโดยเฉพาะแล้วเอาไปเทียบเคียงกับเรื่องที่เราจะแบบความทุกข์ความลาบาก ตั้งกับตั้งกันไม่มีวันสิ้นสุดกับแบบความทุกข์ในเวลาประกอบความเพียรอันไหนจะมีน้ำหนักมากกว่ากันในความเป็นทุกข์ต้องเรื่องการท่องเที่ยวในสังสารวัตนนี่แหละเป็นเรื่องความทุกข์หนักและไม่มีจบสิ้นลงได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการประกอบความเพียรนี้มีทางที่จะจบสิ้นลงได้ในวันหนึ่งแน่นอน เห็นนั่นสมาธิภาวนาเอาเวลาเมื่อยก็เมื่อยเวลาเจ็บก็เจ็บแต่ใจก็เป็นสุขหันเมื่อยมากเจ็บมากก็พักใค้ก่อนเรียนท่าใหม่แต่ใจกับจิตที่จะสัมพยุติกันในทางความเพียนนั้นไม่ยอมลดละสืบต่อกันอยู่โดยลำดับเราจะเห็น เงื่อนของวัตตะที่หมุนอยู่กับหัวใจของเราได้เป็นระยะระยะไปไม่มีสิ่งใดมาเป็นภัยต่อจิตใจนอกจากเรื่องของใจที่ไม่รู้เรื่องของตัวเองเท่านั้นไปเที่ยวคว้านสิ่งต่างๆเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจแล้วกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเมาื่อพิจารณาหรือพูดตามทำส่วนละเอียดแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นภัยในโลกนี้ยิ่งแต่กว่าใจเป็นภัยตัอตัวเองเพราะความไม่รู้เรื่องของตัว นี่เป็นเป็นสิ่งสำคัญมากการนำธรรมะเข้าไปปฏิบัติก็เพื่อจะรู้เรื่องของตัวเองนั่นเลยถ้ารู้ได้อย่างชัดเจนแล้วไม่มีอะไดเป็นไผ่ใจรอบตัวเองใจรู้ตัวเองใจไม่เป็นไผ่อยู่ในริยาบทใดก็สบายไปหมดไม่เลือกว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเพราะธรรมชาตินั้นมีอันเดียวมนิยม เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนสิ่งสมุดทั้งหลายการแสดงธรรมะวิมารจะตอบทีงสุดว่ามีข้อความใดในเวลาต่อไปก็พิจารณาจิตติเพียงแต่